กลุ่มโดยดันตินอ า, อาจารย์เอแบกสาวอดีตดาวคณะเศรษฐศาจุลากระโดดตึกดับชีวิตเพื่อให้คนรักหุ่มเห็นใ จ, จลับตัวไม่ได้กลั่ใจไม่ทันคุณค่าเกินคนนั้นทรุดล่อยแต่ เรื่องนี้เป็นข่าวดังด้วยหลายปัจจัยครับประการแรกสาวผู้ตายสวยระดับนางแบบประการที่สองขับเบนซ์สปอร์ตขึ้นมาถึงชั้น10ของตึก Empire Tower ประการที่สามเป็นถึงลูกสาวเศรษฐีใหญ่แถมเรียนจบเกียรตินิยมและกำลังสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยดังอีกต่างหากเรียกว่าชีวิตนางเอกนิยายขนาดแท้ทุกคนที่ทราบประวัติผู้ตายถึงกับอึ้งกันไปหมด คุณคนนึกไม่ออกว่าที่ผ่านมาเคยมีนักประพันธ์ท่านไหนเขียนให้นางเอกที่มีพร้อมทุกสิ่งทั้งรูปสมบัติสับสมบัติและคุณสมบัติกระโดดตึกฆ่าตัวตายอย่างมากก็แค่ให้พยายามแต่ไม่สำเร็จพระเอกมาช่วยทันหรือคิดได้เองเปลี่ยนใจซิก่อนในวินาทีสุดท้ายเทาว่าชีวิตจรงิงเป็นสิ่งเปราะบางนักและนางเอกในโลกความจริง ก็ทาสาเร็จโดยไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยทันแม้กระทั่งตัวของเธอเองแน่นอนว่าการตายพร้อมไดอารี่สีแดงข้างกายนั้นหมายถึงการจงใจสื่อสารถึงคนรักและบีบคั้นเขาด้วยการเป็นข่าวดังไม่แคร์ด้วยว่าคนทั้งโลกจะเห็นสภาพศพเธอหน้าอาเนตอนาดเพียงใด ข้อความในไดอารี่ทำให้จับใจความได้ว่าสาเหตุของการปลิดชีพตนเองก็คือเพื่อให้คนรักหนุ่มเห็นว่านี่ไม่ใช่การสร้างภาพเพราะคงไม่มีใครลงทุนสร้างภาพด้วยการทิ้งชีวิตทั้งชีวิตอย่างนี้ส่วนสภาพร่างกายก็ชวนให้คนพบเห็นสลดสมใจเธอเพราะจากที่เคยงามสมส่วนดึงดูดสายตาไปทั้งร่างกลายเป็นแขนขาหักผิดรูป แต่ไม่สิ้นลมทันทีแต่ไปทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากเจ้าหน้าที่พยายามพาส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันการคนส่วนใหญ่งุนงงไม่เข้าใจว่าเหตุผลกนใดในโลกมีน้ำหนักพอจะทำให้เธอยอมทิ้งชีวิตที่น่าอิดชายเห็นปานนี้ซ้ำร้ายชาวเว็บที่ด่วนตัดสินคนอื่นก็ด่าเธอไล่หลังต่างๆนาน า, นา ซึ่งก็ได้รับการตอบโต้จากผู้ใกล้ชิดของเธอทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่หรือลูกศิษย์ลูกหาต่างพากันชี้ว่าเธอเป็นที่รักมีคุณงามความดีไม่ใช่บุคคลที่สมควรได้รับการด่าทอให้เสียหายจากคนเพิ่งรู้จักเธอสั้นๆผ่านสื่อข่าวแต่อย่างใดเลยชีวิตคนทั่วไปเต็มไปด้วยความขาดแต่ชีวิตของเธอคนนี้อาจจะมากด้วยความเกิน จึงไม่เป็นที่เข้าใจโดยง่ายว่าทำไมถึงไม่รู้จักเสียดายชีวิตความจริงก็คือเพราะมีทุกอย่างนั่นแหละจึงพร้อมจะเป็นทุกข์ได้สาหัสกว่าคนอื่นคนกว่าค่อโลกทุกข์เพราะกระหายสุขที่ยังไม่เคยได้ลิ้มรสแค่ข้าวอร่อยสักมือ้อแค่เสื้อผ้าดีๆสักชุดหรือแค่ความรักความอบอุ่นจากใครสักคน ตั้งแต่เกิดจนตายอาจไม่มีสิทธิ์รู้จักจึงสแสวงหาและรอคอยเรื่อยไปทว่าเธอคนนี้รู้จักข้าวอร่อยและเสื้อผ้าดีๆมาตั้งแต่เกิดแถมมีทุกอย่างที่คนคนหนึ่งพึงอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถตลอดจนกระทั่งบุคคลที่ทําให้รู้สึกแสนรักและจัดคําให้การของเธอในไดอารี่ ความรักฉันหญิงชายก็เป็นยอดสุขของความสุขสำหรับเธอเป็นบทสรุปว่าชีวิตเธอครั่งคร้อมทุกสิ่งไปทำไมแต่เมื่อความรักของเธอหายไปชีวิตก็ได้ข้อสรุปใหม่เป็นความทุกข์ที่ไม่อาจทนเช่นกันคนเราถ้ายัางไม่เคยได้ก็ยังอยากอยู่ต่อจนกว่าจะได้แต่เมื่อได้แล้วเสียไปอย่างไม่อาจได้คืน ก็เหมือนไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเธอผู้ด่วนจากไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ขณะเดียวกันเธอก็สอนให้โลกรู้เป็นครูสำหรับสาวอีกหลายหลายคนที่ยังหลงฝันว่ายอดสุดของชีวิตคือการมีครบสูตรทั้งสวยรวยเก่งและแฟนหล่อมันไม่ใช่เลยวิบากด้านดีอาจหยิบยื่นทุกสิ่งให้กับคนคนหนึ่ง แต่นั่นก็เป็นการหลอกลวงอีกครั้งไม่ต่างจากที่กำลังหลอกคนอื่นทั้งโลกอยู่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องได้อะไรถูกใจมาสักอย่างเพื่อให้หลงนึกว่ามีเพื่อให้สำคัญผิดว่าสิ่งนั้นเป็นที่รักเพื่อให้เกิดอุปาทานถือมั่นว่าตนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทั้งที่ต้องเสียสิ่งนั้นไปให้กับกฎแห่งความแตกพังจะช้าหรือเร็วเท่านั้น หากใครมีชีวิตเพื่อเรียนรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งลวงใจให้ยึดไม่ใช่ของจริงให้ควรถือมัน่นก็จะไม่เลือกฆ่าตัวตายแต่จะหันมาฆ่าอุปาทานแทนเพื่อพบสุขอีกแบบที่คาดไม่ถึงและทำได้จริงก่อนสิ้นชีวิตครับ l o v ที่คิดได้ก็ใช้